ไม่ใช้บริกรรมพุโทโธได้ไหมหลวงพ่อบางทีก็ขายหน้าตัวเองเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์สอนให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธสมัยที่เป็นน้อยเป็นหนุ่ ม, เ ป, นนมเป็นเนนใหญ่มันเป็นนิสชอบเจ้าสาวคนหนึ่งพอภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันไปนเรียกชื่อเขายูนเอ้ยยูนเอ้ยยูนเอ้ย มิตาอยู่นี่เหรอก็ได้เอาชื่อมันบริกรรมภาวนาตลอดพอบริกรรมภาวนาไปจริงๆจิตมันก็ทิ้งอย่างอื่นก็ไปอยู่ที่ยายประยูนพอมันยิ่งยูนเอ้ยยูนเอ๋ยจิตมันสงบสว่างได้สมาธิที่ท่านสอนให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธเนี่ยสาหรับคนที่ไม่มีความรู้ความฉลาดในทางธรรมะท่านให้ท่องมนเอาไว้เหมือนนกแก้วนกขุนทอง พอภาวนาพุทโธเมื่อจิตสงบมันก็ทิ้งพุทโธจิตก็นิ่งรู้ตื่นเบิกบานอันนี้จิตมันไปติดเจ้าสาวคนนั้นพอมันสงบแล้วมันก็ทิ้งพอทิ้งแล้วมันก็นิ่งรู้ตื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นบางทีหลวงพ่อจึงได้เทศว่าจะมาเถียงกันทำไมเล่ายุบหนอพองหนอสัมมาอารหังพุทโธพวกภาวนาไม่เป็นได้แต่นั่งเถียงกัน ถ้าภาวนาเป็นจะมาเถียงกันทำไมสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวใครทำสมาธิได้ก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดถ้าพวกเรายังเถียงกันอยู่แสดงว่าพวกเราภาวนาไม่เป็นเลิกเถียงกันเสียเด็กน้อยมันจะหัวร้อเอา